คุทวดสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครุค่ะได้เวลาที่พระมหาภัยบุญอ ภ, ภิปุณโววัดป่าดอนหายโสอุดรธานีจะมาให้ธรรมะด้วยการอตอบคาถามที่ที่านสันสา น, นีาพงศ์นะคะจะถามในราการสันสนีสนทนากันแล้วก็ไปกราบนวันสการท่านกันเลยนะคะนวัสการคะท่านคะเชนานค่ะดิฉันคิดว่ามีคนจํานวนมากทีเดียวนะคะก็ให้ความสําคัญ กับชีวิตนี้กับสิ่งรอบตัวกับอย่างนู้นอย่างนี้แตกต่างกันไปบางคนเนี่ยก็ถ้ามีลูกนะคะให้ความสาคัญกับลูกมากมากมถึงขนาดบอกว่าถ้าลูกเป็นอะไรไปมีชีวิตอยู่ไม่ได้บางคนก็ให้ความสาคัญกับทรัพย์สินเงินทองอหุ้นตกเนี่ยจะตายก่อนหุ้นนะคะคือเป็นต้นทีนี้บางคนก็ ให้ความสําคัญกับเวชว่าร่างกายเนี่ยอย่างมือเนี่ยนะขาดไม่ได้เลยตาเนี่ยไม่ได้เลยบางคนก็ไปเปรียบเทียบเป็นใหญ่นะคะคนหนึ่งบอกตาสําคัญคนนึงบอกหูสําคัญยังที่อยากทราบเหมือนกันนะคะว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นอันนี้ถือว่าเป็นกายถูกไหมคะใช่ใช่พระพุทธองค์นั้นให้คันกับอะไรมากที่สุดเราจะได้ปฏิบัติตามไหมท่านคะในถ้าเปรียบเทียบในกายของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรสําคัญเลยคุณโยมทิว นะ oh. เพราะว่า <laughs> เพราะว่าเราเราพิจารณาดู ง, ง่ายๆเราพิจารณาดูสมมติในกายของเรานะสิ่งที่จะมีความสําคัญเนี่ยควรจะต้องทําให้ได้เลยนะควรจะต้องมีให้ได้ทำให้พระเจ้าใช้คําว่าทําให้เกิดขึ้นให้ได้เลยเนะี่ยคือสิ่งที่มันไม่แตกไม่ดับนะีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนะี่ยไม่เป็นไปอย่างอื่นเนะสิ่งที่ไม่เราดูแขนเรามันเปลี่ยนแปลงไหมเป็นไปอย่างอื่นไหมเฮ้ยมันเป็นนี่นะมันเป็นไปอย่างอื่นเนี่ยผิวอากาศเย็นหน่อยผิวก็แห้ง เนะี่ยพออาบน้ามาหน่อยเดี๋ยวก็ต้องเอาอะไรมาทานะน เ, าเ น, น, น, าานี่ยมันกะ็เปลี่ยนแปลงผิวหนังผิวหน้าตาพวกนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมดแสดงว่าไม่สําคัญเนะี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญที่เราจะต้องไปเอาใจไปใส่เนะี่ยเอไปใส่หม้ยความว่าคุณต้องไปยึดถือเอาไว้ไม่ได้นะี่ยแต่อะไรที่เราควรจะต้องเห็นเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนั้นก็คือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายนีนคือเรื่องของนิพพานนะามากําลังจะช่างนําไปตรงนูน้น โหท่านท่านคำไม่สําคัญจริงๆหรอคะเพราะว่าถ้าสมมุติมาถามดิฉันนะคะ <c oughs> ว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยอะไรสําคัญ <Okay. S 1> ที่สุดดิ <Yeah. S 1> ฉันจะบอกว่าลมหายใจสิคะดิฉันจะตอบอย่างนี้นะคะ oh. เหตุผลเพราะว่าไม่มีลมหายใจเราก็อยู่ไม่ได้ mm hmm. เป็นต้นนะคะ mm hmm. mm hmm. แล้วพระพุทธเจ้าไม่ให้ความสําคัญกับลมหายใจถึงที่สุดหรอคะเพราะว่าดิฉันจําได้เรื่องรางเหมือนกับมีพระสูตรทํานองที่ว่าลมหายใจเนี่ยพาเราไปปลายทางสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าอยากให้เราไปคือไปวิมุติได้ค่ะ มันเป็นอย่างนี้เราต้องแยกแยะ ก, ก่อนนะว่าเราเห็นตรงนี้เป็นอะไรนะคือคือที่อาจมาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือเรื่องของนิพานนะแล้วทางที่จะไปถึงนิพานเนี่ยมันอะไรนะก็ต้องพูดถึงเรื่องของมาร์กใช่ไหมมาร์กเนี่ยอยู่ไหนลมหายใจมีไหมมีนะเราะฉะนั้นลำดับขั้นมันก็เป็นลำดับลำดับกันลงมาลำดับกันลงมานะคือถ้ า, ถาเราจะ บ, บอกว่า เ, าเราจะต้องไปนิพานโอเคได้นะต้องใช้อะไรใช้มาร์มาร์อยู่ที่ไหนในลมหายใจมีไหมมีเพราะฉะนั้นต้องเอาลมหายใจได้ แล้วคุณเอาลมหายใจเพื่อทําให้เกิดมาร์กมาร์กเพื่อที่จะไปนู่นนิพานมันจบกันที่ตรงนั้นนิพานเนี่ยสําสคัญที่สุดมันก็เป็นลําดับลําดับกันลงมานะทีนี้ประเด็นที่คุณยมถิวพูดมาสกรูเช่นบางคนเขาพูดถึงส่วนต่างๆของร่างกายมีตามีหน้ามีหัวอะไรพวกนี้เราต้องแยกให้ให้ส่วนให้ถูกนิดหนึ่งเพนะราะว่าถ้าเราพูดถึงลมหายใจนะใช่อยู่มันเป็นส่วนของมาร์กก็มีแต่มันเป็นส่วนที่เป็นความทุกข์ก็มีนะของที่มันเป็นความทุกข์เนี่ย อันนี้มันเป็นความทุกข์ที่มันเปลี่ยนแปลงแตกได้มีการที่เปลี่ยนสภาพได้เป็นความทุกข์เนี่ยเราอย่าเอามาใส่หัวตัวเราเองเข้าใจไหมสิ่งที่มันไม่ดีไม่ดีเนี่ยเราจะเอามาเก็บเข้าตัวเองเนี่ยเราจะไปหาแกว่งเท้าหาเซียนเพื่ออะไรน่ยไม่มีประโยชน์และพระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับว่าคนที่เขาขนเอาเศษหญ้าเศษไม้เศษใบไม้เนี่ยอย่าตอนนี้ช่วงนี้ที่วัดนี่ใบไม้ร่วงมากเลยเนี่ยพระก็กวาดใบไม้กันมารวมไว้จุดหนึ่ง แดีวก็มีเจ้าหน้าที่เขาเอารูปรวมกันไปแล้วเข้าไปเผาที่หนึ่งเผ า, าบ้างทําปุ๋ยบ้างในเวลาที่เผาเนี่ยเขาขนไปเนี่ยพระเา้าถามบอกว่าอ๋อพวกที่เขาขนเศษหญ้าเศษไม้ใบไม้ไปเนี่ยเขาขนไปเนี่ยคุณมีความรู้สึกในพวกนั้นว่าเขาขนตัวเราไปหรือเผาเราหรือว่าจะทํากับเราตามปัจจัยของเขาพระพิสดานก็ตอบว่าไม่อย่างนั้นเลยไม่คิดว่าอย่างนั้นเอ้าทำไมก็เพราะว่าไม่รู้สึกว่าตัวเราของเราเนี่ยมีอยู่ในสิ่งนั้น แ ต, แต่ถ้าเขาจะมาจับขาเราจะมาลากแขนเราแล้วก็จะไปเผาเอาไปทำปุ๋ยเฮ้ยมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าตัวเราของเรามีอยู่ในแขนนี้มีอยู่ในขานี้พอ ร, รู้สึกอย่างนั้นมันก็เลยมีความยึดห่วงแห่เป็นตัวเองขึ้นมาก็เลยคิดว่าตรงนั้นตรงนั้นสำคัญแต่ถ้าบอกว่ามันมีความไม่เที่ยงเราอย่าไปเอาของนั้นเนี่ยมาหนักหัวเราเฉยๆมันจะเป็นการหาความทุกข์ใส่หัวตัวเอง ซึ่งซึ่งตรงนี้ถ้ารเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าของที่มันไม่เทีนะ่ยงเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างนี Lloyd, ลมหายใจเที่ยงไหมไม่เที่ยงนี่ยแล้วแขนขาเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเอาแล้วจะเอาอะไรกันแน่เนี่ยเพราะว่าอันหนึ่งก็บอกไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ต้องสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใ น, นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ควรจะเห็นว่านั่นของเราไม่ควรจะเห็นว่านั่นเป็นเราไม่ควรจะเห็นว่านั่นเป็นตัวตนของเราถกมั้ยเเเพรราาาาาะนนหใจ็ออ่ส ถึงบางคนก็จะพูดอย่างนี้เพราะว่ามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่เราจะต้องแบ่งให้ถูกก่อนว่าอสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยที่บอกว่าอไม่ควรจะต้องไปเอามันเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนที่เรียกว่าเป็นเป็นความทุกข์ในที่เป็นทุกข์ที่แท้จริงที่พูดถึงว่าเราควรจะทําความเข้าใจว่าเราจะต้องไม่เอามันนะต้องทําความเข้าใจว่าเราจะต้องไม่เอามันแต่สิ่งที่เป็นมรรคเนี่ยสิ่งที่เป็นมรรคจะเป็นทางที่ทําให้ถึงความหลุดพ้นได้ต้องทําให้มากๆ คุณสมบัติของมันจะเหมือนกันะระหวังสติสมาธิสติสมาธิเป็นมารกนะสติสมาธิเป็นมารกสติสมาธิเป็นมารกสัญญานั่นคือแขนเนี่ยแขนขาของเราเป็นต้นเป็นรูป เ, เป็นท่าศีรินน้ำไฟลมเนี่ยก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะแต่สติต้องเอานะสมาธิต้องเอาไว้เอาไว้ทาไมต้องทำให้มากๆทำให้มากเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้คลายความกาหนัดในแขนขาในกายในสัญญาได้ ค่ะคือดิฉันก็เข้าใจนะคะว่าท่านพิบูลตอบแบบเขาเรียกว่าอะไรคะตอบแบบคนที่มีปัจจัยเดียวนะคะท่านอุฟารเพราะทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเสื่อมได้มันดับได้แต่ที่เราไปคิดว่าสําคัญเพราะว่าเรายังละไม่ได้ในความที่เข้าใจว่าเขาเป็นตัวของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้อก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วแต่ดิฉันขอกลับไปที่เดิมอีกนิดได้ไหมคะ คือที่ฉันทราบว่าผัสสะอายตนะเนี่ยคือไอตัวที่ตัวเจ้าปัญหานะคะที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ถูกไหมคะเพราะว่าเป็นองค์ประกอบของการที่ไปสัมผัสกับอะไรแล้วก็จะนำมาซึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ที่พาไปความทุกข์ก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายใจใช่ไหมคะใ ใ, ในบรรดาอายตนะทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายไม่ให้เอาเลยเนี่ยแต่ถ้าในขณะที่เราพูดถึงอายตนะทั้งหกอยู่นะคะยังไม่ไปสรุปสุดท้ายว่า ไม่ให้ราคาเลยเนี่ยอย่างใดสําคัญกว่าการมีไหมคะตอบได้ไหมคะคือเรื่องของมาร์คนั่นเองนะมาร์คนี่สาคัญนะสำคัญในการที่จะทําให้ไปถึงนิพพานเพราะฉะนั้นถามว่ามาร์กอยู่ตรงไหนนะเราจะเห็นมาร์กได้ตรงไหนเราจะบําเพ็ญมาร์กได้ตรงไหนตรงผัสสะนั่นแหละตรงแขนนั่นแหละตรงขา น, นั่นแหละมีผัสสะเมื่ อ, อไหร่มีแขนมีขาเห็นตาได้ยินเสียงพวกนี้เป็นจุดที่เราจะทำมาร์กได้ทั้งสิน้นแล้วมันก็เป็นลําดับที่ลงมาอีกนะ ถามากคุณจะเจริญมากคุณจะเจริญได้ที่ไหนแขนขาคุณจเจริญได้ น, นี่ก็เป็นส่วนที่สําคัญเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าไม่สําคัญต้องตัดทิ้งอย่าไปดูแลมันไม่ใช่ก็ดูแลมันให้มันสมควรแตนะ่โดยทํายังไงก็โดยเจริญมากกับมันนั่นแหละแต่ถ้าแขนขามันจะสกะโปรกแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้ดีแตนะ่ถ้าสมองเรามันจะทื่อเราก็ไปเรียนความรู้ให้ดีนะในขณะเดียวกันตรงนั้นเป็นภาษาใช่ไหมเราเจริญมากได้เพราะอะไรเพราะเจริญมากแล้วจะทาให้ไปถึงนิพพานได้ ค่ะงั้นดิฉันขอหยุดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไล่เรียงให้ท่านฟังที่ฟังรายการมาตั้งแต่ ต, ต้นเผื่อเผื่อท่านจะไม่ทันนะค ะ, ะแต่บางท่านเนี่ยดิฉันคิดว่าไปไกลแล้วดิฉันถามท่านอาจารย์ว่าร่างกายของเราเนี่ยพระพุทธองค์ให้ความสําคัญกับอะไรมากที่สุดท่านเพรบูลตอบแบบคําตอบสุดท้ายฟันธงเลยนะคะไม่ให้ความสําคัญสักอวัยวะเดียวเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีเกิดเสื่อมดับถูกไหมคะใช่และเราก็กํากัด ตามใจปรารถนาของเราไม่ได้ไ่ไใช่ใชคะแตะ่ท่านบอกว่าพระพุทธองค์จะให้ความสำคัญกับมรรคอย่างนี้ไหมคะเรือ่องเรื่องของนิพพานอนะนี้เราต้องทำให้ได้ทำให้ทาให้เจริญค่ะเพรา ะ, ะแต่ก่อน มาถึงตรงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าหลายคนอาจจะบอกอต่อบไปนี้ไม่ต้องให้ความสนใจแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่พอมาถึงวิธีที่จะไปถึงปลายทางที่พระพุทธองค์อยากให้เร า, าทุกคนดได้พบใช่พวกนี้กลับสําคัญขึ้นมาทีเดียวถูกต้องถูกต้องค่ะนะคะอ่ามาถึงตอนนี้ท่านก็บอกให้เดินมาร์กในในภ ใ, ในอาย ต, ตนะต่างๆเดินอย่างไรอะคะก็คือว่าพอเรามีผัสสะเมื่อไหร่เกิดขึ้นหนักุณเห็นตาเห็นรูปพวกนี้หนักุณตั้งสติเอาไว้นัมันเป็นลำดับขั้นนะคุณผู้ชมที่อยู่หนึ่งเพราะเราอยู่กับทุ เราจะไปนิพพานได้เราต้องสเต็ปแรกเลยคุณต้องสเต็ปที่ทุกตรงนี้นี่คือสเต็ปที่หเพราะฉะนั้นทุกสําคัญไหมสําคัญเพราะอะไรเพราะเราต้องเข้าใจมันแตนะ่สำคัญตรงที่ว่าเราต้องเข้าใจมันต้องทําความเข้าใจมันตรงไหนตรงนี้แหละที่เราอยู่นี่แหละลมหายใจคุณนี่แหละสิ่งที่คุณเห็นนี่แหละรสอาหารที่คุณได้กลิ่นได้ได้ชิมนี่แหละหนจมูกที่คุณได้กลิ่นนี่แหละเอาตรงนั้นแล้วยังไงทําอะไรให้เกิดขึ้นสเต็ปที่2ที่ต้องก้าวต่อไปคือคุณต้องมีสติต้องตั้งสติทําสมาธิรักษาศีลให้ดี นะตรงนี้เป็นสเตปไปซ้ายขวาไปซ้ายขวาไปจนกระทั่งที่3ามโน้คุณจะถึงนั่นก็คือเรื่องของนิพพานเรื่องของนิพพานเพราะฉะนั้นเราเดินตรงนี้เนี่ยเราเดินตรงทุกเราเดินตรงมัคนะเพื่อที่จะให้ไปถึงนิพพานซึ่งเป้าหมายเราต้องอยู่ตรงโ น, น้นนะแล้วสิ่งที่ให้ความสําคัญไม่ได้เลยไม่ได้ยอย่าไปแตะต้องมันเลยไม่ได้เลยต้องทิ้งมันเลยแบบต้องย้ํากันมากๆเลยคือตัณหานะตัณหานี่แบบหันหลังให้มันไปเลย เน่ยไม่ได้เลยค่ะอือ น, นี่คือสี่ส่วน เ, นเอ๋อสี่ส่วนในเรื่องของเรียสสี่เราจะเราจะเข้าใจได้ว่าเราอยู่ตรงทุกตรงนี้นนี่คือคือตัวเราเริ่มต้นตรงนี้ค่ะนะคะก็ถ้าว่าเรามีความทุกข์เพราะเรามีตาหูจมูกเล่นใจใจนี่แหละถูกไหมคะถูกต้องนี่เป็นความทุกข์อยู่แล้วใช่พูดอย่างนั้นเพราะว่าเรากํากับดูแลเขาไม่ได้นะคะเขามีเกิดมีเสื่อมมีดับ อ่คนที่อายุม า, มากขึ้นหน่อยก็จะเห็นชัดโดยทั่วไปนะครับผมากมันเป็นเห็นจริงๆเลยนะคะท่านคะตามันก็เริ่มแย่หูมันที่ฉันคุยกับอ่บางคนนะคะก็เห็นใจเขาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนของเราเลยนะ <laughs> ค, คือคือชักต้องพูดกับเขาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะขาอันนี้ก็เหมือนกันบางทีเขาปวดนะปวดขาปวดหลังอันมาก็เริ่มเป็นแล้วนะแล้วก็อีเทวทูตอีกอย่างหนึ่งคือใช่ค่คะผมหงอกงี้ผมหงอก เนี่ยมงคลก็เริ่มมีแล้วเนี่ยขาเข่าอาจจะ<ช>ยังไม่ปวดแต่เริ่มงอกแล้วนั่นเป็นเครื่องเตือนสติเราได้ทั้งสิ้นเป็นเทวทูตนั่นเองค่ะอืมีแหละที่เรียกว่าทุกทีนี้ใจใจนี่อาจจะจะไม่เห็นลักษณะเดียวกับร่างกายอืมใช่เราก็ต้องสังเกตด้วยด้วยสติพอสมควรคะนะคะแ้อาจารย์บอกว่านี่แหละเห็นทุกแล้วก็ให้เดินมั้งกับตัวทุกนี้ถูกต้องเดินอย่างไรคะสมมุติว่า เห็น <_ an> อ่ะหูอย่างที่ดิฉันได้พูดไปนะคะว่าเออบางคนมันเริ่มราคาญแล้วใครพูดลเลยไม่เราไม่ค่อยได้ยินฮะ e <ats> อันนี้คือเราเห็นความไม่เที่ยงในกายนี้ได้ค e <ats> ่ะนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสมมติเรายึดถือกายนะสมมติเรายึดถือกายแต่ถ้าเรายึดถือกายแล้วโอเคคุณยึดถือกายไปแต่ถ้าคุณยึดถือไปสักสิบปีคุณยึดถือไปสักยี่สิปีคุณยึดถือไปสักสาสิปีสี่สิบปีห้าสิบปีหรือร้อยปีกายนี้มันจะเริ่มเสื่อมต่อหน้าต่อตาใช่ไหม ไอ้ตรงนั้นมันจะเริ่มเสื่อมปุ๊บเนี่ยพอเริ่มเสื่อมแล้วเราจึงจะเริ่มคลายกำหนัดได้บ้างเนะเริ่มเห็นตามที่เป็นจริงได้บ้างการเห็นตามที่เป็นจริงการคลายกำหนัดตรงนี้นี่แหละนี่แหละที่เราจะต้องเห็นในตอนที่แบบหูมันไม่เค่อยได้ยินหรือคนอื่นเขาพูดมาเราพูดอยู่เขาไม่ได้ยินขานะะเราเจ็บผมเราหงอกพวกนี้เราเห็นตรงนี้ให้มีความหน่ายความคลายกำหนัดในกายนี้นี่คือสาคัญ เออแล้วถามว่าเราจะไหนเราจะคลายกำนังได้ยังไงตรงนี้แหละคือที่มัมนจะเข้ามามีส่วนเนะ่ยเพราะว่าถ้าสมมติ ม, มันจะมีอยู่2ทางคนที่เห็นว่าตาฉันเป็นอย่างนี้หูฉันเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็จะรำ่ำไหคร่ําควรวญนี้ก็มีนี่ยนี่คือไปอีกทางหนึ่งคือจมปลักอยู่ในความทุกข์หรือ2เน่ยเห็นทางที่ว่าเออมันไม่เที่ยงฮ่เราคลายกำนัดดีกว่าอันะนี่คือทางที่สองแต่ว่าไอ้คนที่จะมาทางที่2ได้นี่นี่คือทางมัคแน่นอนทางมัคแน่นอน เป็นทางที่เช่นคุณต้องมีสตินะคุณต้องมีเพื่อนดีนะคุณต้องรั ก, รกษาสีนะคุณจะมาตามทางที่สองที่พูดถึงว่าเราจะเห็นเป็นความครากําหนัดเป็นความหน่ายได้ น, น, นี่จะเป็นประโยชน์ของการที่เราเห็นกายตรงนี้ค่ะก็เท่ากับว่าเรามีกายอยู่เป็นอะไรที่น่าจะใช้ประโยชน์ชชนจากลายให้เต็มที่ใช่ไคะเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะใช้ประโยชน์แต่ เรื่องพื้นพื้นทั่วทไปปากก็ไว้รับประทานอาหารตาเอาไว้ดูหูก็เอาไว้ฟังแต่อันนี้กําลังจะบอกว่าเป็นประโยชน์เหนือประโยชน์พื้นฐานถูกต้องอันนี้ก็คือเราเจริญมรรคบนความทุกนี้นั่นเองอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าหนึ่งเราเห็นทุกเนี่ยคุณจะเห็นทุกได้คุณก็ทำมรรคันเรือนนี่แหละเจริญมรรคแปดบนนี้เสร็จแล้วคุณก็จะไปถึงนิพพานในกิดกันตอนที่สามพราสังฆาจะว่าไปนะคะที่ฉันเข้าใจว่าคนที่ไม่รู้ธรรมะนี่แหละก็สามารถที่จะ รู้รู้สึกบางอย่างหรือทำบางอย่างเช่นทำใจอย่างี้นะคะคือเหมือนกับว่าอุ้ยขาแข้งเราเคยดีๆนะอยู่ดีๆวันหนึ่งมันโค้งโกงมันเดินงอแงงอแงงใช่ไหมคะใช่ก็เหมือนกับว่ากระโปลงตกไม่รู้จะทำไงแล้วหมอก็บอกว่าช่วยไม่ได้ก็ได้แค่เนี้อืมเออก็เหมือนกับเข้าใจธรรมชาติยอมรับได้ว่ามันเสื่อมใช่แต่ตรงเนี้ยถือว่ารู้ แบบเดียวกันหรือยังนะคะกับเรื่องมันรู้อะค่ะแล้วยอมรับด้วยอันนี้คือเราเห็นธรรมะอยู่แล้วจะต้องทําต่ออะไรเพิ่มขึ้นอย่างไรเขถึงจะสมบูรณ์แบบเออคือการการที่เขาเห็นธรรมะตรงนี้ก่อนนะว่าทําไมเขาถึงเห็นได้นั่นแสดงว่าเขาต้องเคยได้ฟังมาก่อนก่อนหน้านี้นะีหรือเคยได้เห็นตัวอย่างมาก่อนหน้านี้อาจจะฟังมาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือฟังมาจากสาวกของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งนะหรือว่าเห็นคนได้เคยยินเขาพูดกันมาแล้วตรงนี้มาเห็นด้วยตัวเองจึงยอมรับได้ ทีนี้ยอมรับได้แล้วแล้วทํายังไงต่อเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันไปยึดถือตรงนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนมันยึดถือตรงนี้ตอนนี้ยอมรับได้แล้วฉันไม่ยึดถือหรอกแต่มันไปยึดถืออีกตรงหนึ่งไปยึดถือสิ่งนั้นยึดถือสิ่งนู้นยึดถือในลูกยึดถือในหลานเหลนพวกนี้ไปหรือยึดถือในจิตของตัวเองแเราทําให้ยิ่งขึ้นไปก็คือเอาไอความสามารถในการวางตรงนั้นเนี่ยความสามารถในการที่เห็นตามจริงตรงเนี้ยความสามารถในการที่จะคลายกำหนัดตรงเนี้ยเอาไปใช้กับสิ่งอื่นที่เรายังยึดอยู่ นี่คือประเด็นอ๋อคือเหมือนกับงั้นดียฉันคิดว่าไอ้ที่สําคัญมากก็คือต้องมาถามตัวเองให้ได้ว่าเรายังยึดอะไรอยู่บ้างถูกไหมครัถูกต้องต้องถามเลยว่าไอ้คุณอายุมากขึ้นไปอย่างนี้เ อ, อผัวห่วงไหมเมียห่วงไหมลูกห่วงไหมทรัพย์ ส, สินห่วงไหมเออถ้าไม่ห่วงไม่ห่วงนะถ้าห่วงรีบคลายนะใช้ความสามารถนี้คลายออกให้ได้ถ้าถ้าไม่ห่วงแล้วออาไปด่วนถ้ายิ่งขึ้นไปเห็นจิตใจให้ดีนะทําสติสมาธิเกิดขึ้นให้มาก มันก็จะเห็นทําขั้นสูงขึ้นไปขึ้นไปได้ในชาตินี้นี่แหละก็เท่ากับว่าเมื่อเมื่อเราอยู่กับชีวิตจนกระทั่งเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นก็จะรู้วิธีที่จะอยู่กับชีวิตนี้อย่างยอมรับในสิ่งที่จําเป็นต้องยอมรับอันนี้ก็ถือว่าเข้าใจแล้วก็ละวางเพราะว่ามันยึดถือไม่ได้แล้วเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วก็ใช้ยุทธวิธีเนี้ยไปกับ ื่ที่ยังยึดอยู่ขึ้เรื่อยๆตัวนี้ก็จึงสุดท้ายก็คือต้องช่วยตัวเองใช่ไหมคะถูกต้องตัวนี้ก็จึงมีคำคำกล่าวอย่างนี้บอกว่าคนที่อายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแน่นอนมีประสบการณ์มากขึ้นเห็นโลกมากขึ้นรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นอันนี้ก็คือทางโลกคุณก็ก็มีไปก็ทําไปก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมในขณะเดียวกันจิตใจเนี่ยก็จะมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้น นะครัว่าอินทรีย์แก่กล้าขึ้นเนี่ยคือใจเนี่ยมีความสามารถตรงนี้ที่เรามาพูดถึงว่าความสามารถในการวางการเห็นตามจริงความสามารถในการคลายกำหนัดเนี่ยนี่คืออินทรีย์ในจิตของเราโดยเฉพาะยิ่งคนที่แก่แล้วใกล้าตายแล้วเจ็บป่วยมากๆเนี่ยนอนปังงาบปังงบอยู่บนเตียงเนี่ยพวกนี้จะมีอินทรีย์แก่กล้าได้นะมีสิทมากทีเดียวค่ะซึ่งเดี๋ยวยิงคิดว่าคนอยู่ไปนานๆเนี่ยเผลอๆในใจอาจจะนึกตลอดเวลาเลยว่า นี่เมื่อไหร่มันจะตายสักทีความตายมาถึงฉันไม่กลัวแล้วเพราะเบื่อมากเลยอยู่ทุลักทุเลอันนี้ก็ถือว่าถือว่าเข้าใจธรรมะคือเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นแล้วแต่ต้องจะให้ดีต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือตามที่พระพุทธเจ้าสอนถูกต้องนะคะถึงจะได้ประโยชน์เต็มที่แต่ถ้าไม่มีความรู้นี่ก็อาจจะพลาดโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงจึงพูดถึงว่าเออเรามีเพื่อนดีมีกันเลนมิตร ค่อยแนะนําการหนึ่งนี่คือกรารแรมิดคือข้อที่1 2คุณต้องเคยได้ฟังทำนะนะการ ค, คือพูดถึงธร ร, รม5ข้อนะธรรม5ข้อที่จะบ่มไว้ตรงนี้ให้มันสุกแต่นะรรว่าจิตใจเรามีสะสมสะสมมาเนี่ยมันมีการสะสมอยู่แล้วทุกคนมีการสะสมอยู่แล้วและที่สะสมสะสมมาตรงนี้มันจะบ่มให้มันสุกเป็นผลนะเป็นโซดาปฏิผลเป็นอนาคามิผลหรือเป็นอนาถผลเนี่ยจะบ่มให้มันสุกได้อย่างไรอันดะับแรกเนี่ยจะต้องมีกรลรแรมิด อันที่ก่อแนะนำคนไปในเรื่องดีๆเห็นไหมอันดับที่สองนี่คุณต้องฟังธรรมบ้างการฟังธรรมการที่จิตใจน้อมมาในเรื่องที่เป็นการขนขวายน้อยเรื่องการอยู่สงัดเรื่องศีลสมาธิปัญญาอันนี้ที่เป็นข้อที่สองข้อที่สามก็คือเป็นผู้ที่มีศีลรักษาศีลให้ดีแต่ศีลนี้เป็นพื้นฐานเลยอะไรจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานแน่อันที่สี่ก็คือเป็นผู้ที่มีความเพียรเป็นผู้ที่มีความเพียร เอาใจใส่ในเรื่องการละกุศลเอาใจใส่ในเรื่องการที่เสริมสร้างสิ่งที่เป็นกุศลนี่คือความเปี่ยนข้อที่สี่แล้วก็ที่ห้คือเรื่องของปัญญาหรือปัญญาในการที่เฉยความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ของการตั้งหากรวมแล้วสี่ข้อเรียกว่าอะไรคะห้าข้อนี้ห้าข้อนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมที่จะบ่มวิมุติให้สุขขึ้นมาวิมุติคือความพ้นธรรมที่จะบ่มใช่ธรรมเครื่องบ่งบ่มวิมุตห้าประการธรรมเครื่องบ่มวิมุตห้าประการ โอ้โหทเครื่องบ่มวิมุติ5ประการใช่ก็คือทบทวนอีกครั้งหนึ่งคือหนึ่งเรื่องของกเรียนมิตรนะสองเรื่องของการได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยนะสามเรื่องของความเพียรสี่เรื่องของศนะีลนะและห้าเรื่องของปัญญาค่ะนะคะทําที่เป็นเครื่องบ่มวิมุติ5ประการ5ประการใช่นะค ะ, ะสามารถที่จะไปะถึงปลายทาง ที่พระพุทธองค์ประสองค์อยากให้ทุกคนได้พบคือพ้นจากความทุกข์ไปอยู่บนวิมุติเลยใช่กราบมัสการขอบพระคุณท่านเพิมยิ่งค่ะเจริญบานท่านวพ่งที่รครบรอครั้งแกนสัมทนานะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ได้ประโยชน์กันไปเต็มๆว่าในเมื่อเราเองเนี่ยได้ใช้อายตนะทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในทางที่อารรชีวิตของเราดารงอยู่ได้ เป็นสุขซึ่งจริงๆในชีวิตมันก็มีความทุกข์ปะปนอยู่บางคนมีทุกข์น้อยที่สุขแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ต้องทำอะไรต่อนะคะและสำหรับคนที่เริ่มเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นอย่างที่ท่านพยบูรณ์พูดนะคะว่าจะสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะได้ในระดับหนึ่งเนี่ย ก็ต้องทำต่อไปอีกนะคะโดยท่านจะต้องมีธรรมที่เป็นเครื่องที่จะบ่มวิมุตคือมีความรู้มีกริรยานณมิต ท, ที่ดีชักนำข้าหาธรรมฟังธรรมมีศีลมีความเพียรและความเพียรเนี่ยจำได้ง่ายๆนะคะว่าคือเพียนละอกุศลเพียนธรรมกุศลกับก็ติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวัน พระหัตสวับบดีกับวันศุขในส่วนที่พบกับดิฉันนะคะแต่ว่าถ้าพบกับท่านจันทร์ เ, เพียงอท่านเดียวเนี่ยก็สามารถพบได้เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์เรื่อยมาเลยค่ะวันนี้รายการสัสนีสนทนาสัสนนหน้านพงทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเากล่ากับเพรยงเท่า น, นี้นะคะผู้ทวาสวัสดีค่ะ